กูลละป บ, บัน <c oughs> <c oughs> บ ท, ทุธเทศท้านเอาถุง้ อ, ง ข, องขึ้นมากายเวท น, นาจิต <c oughs> ทำโปเทศ <c oughs> อานาปานสติลมหายใจเข้าหายใจออกไปดูเข้าใจนะแต่ข้อสำคัญเวลานำนำปฏิบัติต้องเข้าใจในมีสติกำกับ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 มันก็คือเป็นผู้บอยสุทมาแล้วไม่มีอะไรมาเกิดไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรมาเกิดอด้วยเหตุที่มันมีตัณหาเก่าโสงมาแต่ด้ยเหตุที่ไม่เคยชัดเคยล้างเคยขัดเคยเกา่าพระเจ้าท่านก็เลยเอาวิธีการนีมน้มาสอนเพราะพระองค์แจ่มแจ้งภายในพระไตรของพระองค์อุบายวิธีสัพพัญยูสัพพัญยูสัพพยุตยานฟังดูสิอุบายวิธีร้อยแปด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 ถ้าเราสามารถทาจิตได้ถึงขั้นนี้ระดับนี้หมายความว่าจิตของเราเข้าถึงหลับธรรมชาติที่แท้จริงได้มันไม่มีอะไรน่ายินดีไม่มีอะไรน่ายินร้ายดยไม่เลยเถือนนี้ไปเหตุที่ท่านให้เราปฏิกูลมากรรมมาดูแลในการพิจารณานมันเหมือนกับเป็นโลมาปกป้องถ้าเราไม่มีโลนนี้มาปกป้อง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 มีคนมาขัดมาขอบมาเครียดแค้นชิงชังอาฆาตพายาบาทฆ่าแกง ก, กันอีก ต, ตั้งหากักบกิริยาผิวเ ผ, ผินของธรรมชาติเหล่านี้ฤทธิเดชของมานเนี่ยดูซิดูเรา ด, ดูเราใช้ทำอะไแเราก็ดูดูคนทั้งหลายในโลกพิจารณาทำหลักเขทาทมแล้วเราก็ดูเขาไม่แย่งอะไรเลยรู้แย่งควันอ่า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 มันออกไปทางหูออกไปทางหนู่มจมูกลินกายและมันนึกไข้ครวนในที่ของมันใจถ้ารู้มันอยู่ในกายของเรานี้ถ้ารู้ใจใจใ จ, จิตจิตใจภาษาไทยจอไส้ไม่มลุไม่มล า, ายใจจิตจิตภาษาบาลีจิตจ ต, จ ต, ตั้งจิตตัดแล้วแล้วต่จะเรียกตามกิริยาการเข้ามัน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 คำนี้ทํำไมไปตีกับคํานู้ความหมายเหมือนกันความหมายต่างกันเอ๊ะใส่เข้ามาทำไมทั้งสองความหมายอันเดียวกันเนี่ันก็แล้วแต่จะว่าไปเวลาทําท่านให้ดูเขาดูของจริงดูของจริงที่ปรากฏมันมีอยู่เราศึกษาแบบเมื่อเราเราไม่ได้รู้หลักเลยก็จะพิดกักอะไรเลยมาจากหลักธรรมชาติที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเนี่ยแหละมาพิจารณาอย่างเนี้ย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 รวจุดจอปฏิกายนไปไล่เป็นพรามเป็นคนเป็นเล็กเป็นฟันเป็นหลังนี้จับอะไรจะเหมือนกันหถ้าเราเข้าใจห <c oughs> ลักมาสติปัานมมากับได้หมดแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกทําอย่างเดียวทะลุทั่วถึงกันหมดพิจารณาอิทธิยาบทยืนเดินนังน่งนอนพิจารณาสามปัญช่าง เมื่ออยาที้งเทวาพุทธิ์สักมิจฉานการีโหติสักมิจฉานาารีโหติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมเวลาสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะขมักจะมาพร้อมสัมปชัญญะเสริมสติสติเสริมสัมปชัญญะแต่มันเกิดในในจิตดวงเดียวนันแหละทำให้จิตดวงนี้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 ด้วยเหตุที่ธรรมชาติมันเกาะเกี่ยวมันผูกพันกันมาปีกับปีกันนี่เองมันถึงเหนียวแน่นมัดนคงมันไม่กล้วยๆนะเหมือนกล้วยบอกกล้วยเขาปากนะมันไม่มันไม่กล้วยๆต้องเาเป็นเอาตายใส่ไว้จะรู้เรื่องเอาเป็นเอาตายใส่จริงๆอิงนอกจากคนที่เขาเบามาแล้วเขาบางมาแล้วนะ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 อาหารนะคือเรื่องของกายของไม่มีอะไรใส่ให้กายใจกับทุกข์อีกนะเห็น ไ, ไหมเอาวันนี้เอาเท่านี้แหละ